162เนื้อความมหานิทานสูตรทั้งสูตรในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมหานิทานสูตรเริ่มตั้งแต่ข้อ57เป็นข้อต้น57ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณกุรุชนบทมีนิคมของชาวกุรุนามว่ากรมาสธรรมะครั้งนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับรันเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนนนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้กลาบทูลความข้อนี้ก่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นนัก พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นอาโน์เธออย่าพูดอย่างนั้นอานน์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกดูกระอานน์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทำอันนี้มูสัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประหลุดได้ของช่างหูก เกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงประตายและหญ้าปล้องจึงไม่พ้นอบายทุกคติวินิบาตสงสารดกระอานน์เมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามี ถ้าเขาถามว่าชาติรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าชาติมีสิ่งใดเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าชาติมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีพบเป็นปัจจัย เมื่อเธอถูกถามว่าพบมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอเพิงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าพบมีอะไรเป็นปัจจัยเธอเพิงตอบว่ามีอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าอุ ป, ปาทานมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอเพิงตอบว่ามี ถ้าเขาถามว่าอุปาทานมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีตันหาเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าตันหามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าตันหามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีเวทนาเป็นปัจจัย เมื่อเธอถูกถามว่าเวทนามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าผัสสะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามี ถ้าเขาถามว่าผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่านามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัย เมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยดูกระอนนนเพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูป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 เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมณัสอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการชนิส